เพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติอยู่ด้วยสติเป็นผู้ชํานาญคล่องแคล่วในเรื่องของสติไม่เคยหวนกลับย้อนกลับเผลอสติเนี่ยไม่มีท่านพระองค์เป็นผู้มีสติที่พระองค์มีสติพระองค์ระลึกได้เป็นผู้สงบระงับประกอบด้วยธรรมของสัตว์บุรุษเนื่องจากพระองค์เป็นสัตพบุรุษพระองค์จึงไม่หลงลืมสติเพราะพระองค์อยู่ด้วยพุทธานุสติพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธคุณ คุณของพระองค์เองเนี่ยนะว่าพระองค์นั้นมีพระคุณเหล่าใดเนี่ยนะพระองค์มีปัญญาอย่างไรมีศีลอย่างไรพระองค์ละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเหล่าใดเหล่าใดพระองค์ก็เจริญพุทธานุสติพระพุทธเจ้าเจริญธรรมานุสติอ่ะนะเพราะพระองค์พิจารณาธรรมพิจารณาอุปาทานขันห้าพิจารณาที่เรียกว่าพิจารณาธรรมอ่ะนะตลอดมชิมยามปฐมยามปัชิมยามเป็นต้อนอ่ะพระองค์เนี่ยพิจารณาธรรมเนี่ยมากเพระพระองค์อยู่ด้วย ทำมนุสติพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ระลึกถึงพระสงฆ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติดีพระองค์มีสังขานุสติพระองค์มีศีลานุสติถ้าพระองค์ไม่มีศีนสติคือในศีลทั้งหลายเรียกว่าศีลานุสติพระองค์จะสอนพระวินัยทั้งหลายได้อย่างไรถ้าพระองค์ไม่มีจารานุสติเนี่ยนะเรื่องของการเสียสละพระองค์จะให้วัตถุทานอนุญาตปัจจัยสแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเป็นต้นได้อย่างไรแล้วพระองค์จะอนุญาต บอกอุบาสกเป็นต้นว่าสิ่งใดควรทําบุญสิ่งใดไม่ควรทําบุญเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าเออเนี่ยอย่างนี้ควรเจริญอย่างนี้ควรปฏิบัติอย่างนี้ควรทําให้มากเนี <m>. ่ยนะเพราะพระองค์เป็นผู้ที่เจริญจากขานุสติพระองค์จึงให้มนุษย์สมบัติให้สวรรค์สมบัติให้นิพพานสมบัติพระองค์มีจากขานุสตินี่แหละพระองค์จึงสามารถให้ทานให้ศีลเนี่ยนะให้สารณะเนี่ยนะให้ สมถะให้วิปัสนาให้โสดาปติมัคสกธาคามิมัคอนาคามิมัคให้อนาคามิมัคให้อรหัตมัคให้คุณธรรมให้สาวกบารมียานให้อาภวามเป็นอะไรอาศีติมหาสาวกให้เอตทัทคะเนี่ยนะให้ตำแหน่งเอตทัทคะแก่พระสาวกทั้งหลายเนี่ยนะวันพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ด้วยเทวตานุสติพระองค์เป็นผู้ที่รอบรู้คุณธรรมของ พร ม, มเทวดารอบรู้คุณธรรมของอเทวดาชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานระเดปรณิมิตาวสวัสดีคุณธรรมของเหล่าเทวดาชั้นพร ม, มกายิกาพร ม, ม ป, รปริสัชชาปุโรหิตามหาพรหมาหรื อ, อปริฏตาภาอปมานาภาอภัสราปริตฐสุภาอัปมาณาสุภาหรือว่าสุภกินมหาเวหผลาเป็นต้นหรือแม้กระทั่งพรมชั้นสุดท้าวาทั้งหลายเนี่ยนะอกักเนอ อวิหาอตัตาปาสุทสาสุทศีอกานิฐาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นคุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเขามีคุณธรรมเหลา่าใดพระองค์เนี่ยเป็นผู้อยู่ด้วยเท е วตานุสติพระรองค์รอดรู้ในคุณธรรมของเหลา่าเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดและพระองค์ก็อยู่ด้วยอาณาปานสติพระองค์ปฏิบัติได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์จเจริญอาณาปานสติพระองค์มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเนี่ย มีสติหายใจเข้ายาวออกยาวพระองค์ก็รู้ชัดหายใจเข้าสั้นออกสั้นพระองค์ก็รู้ชัดพระองค์กําหนดรอบรู้กองลมทั้งปวงพระองค์กําหนดรอบเอ่อการว่ากำหนดรอบรู้กองลมทั้งปวงระงับกายะสังขารเห็นไหมการว่ากำหนดรอบรู้กายะสังขารระงับกายะสังขารแล้วพระองค์ก็เจริญสติในลมหายใจเข้าออกเป็น กายานุปัสนาสติปัฏฐา น, ป ina, cosplay, ita, wow, นป ana, เป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเ ป, ป, ป็นจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะเป็นอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีตลอดจนถึงปฏินิสักานุปัสสีเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ที่เรียกว่าอยู่ด้วยอาณาปานสติโดยทุกแง่ทุกมุมทุกในยะพระองค์จึงบอกว่าอาณาปานสตินั้นจึงเป็นธรรมที่สงบเป็นธรรมที่ระงับเนี่ยนะเป็นธรรมที่เจริญนะก็ อยู่สบายและพระองค์ก็เป็นผู้ที่เจริญมรณานุสติมากเลยนะเขบอกว่าภิกษุพระ อ, องค์เคยถามภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอเจริญมรณานุสติอยู่หรือไม่บางคนก็บอกว่าเจริญเจริญวันละกี่ครั้งบางคนก็บอกว่าหลายครั้งเหมือนกันอย่างพระอนนท์บอกว่า7็ครั้งเลยนะคิดถึงความตายได้วันละตั้ง7็ครั้งเลยนะของเราสั ป, ปดาห์ละครั้งนี่นก็เก่งเลงนะคนบอกมากกันนะเนี่ยนะ คนก็บอกโอ้สัปดาห์ละครั้งเนี่ยเออเราก็ตายเป็นเหมือนกันนะเนี่ยนะคิดได้ตั้งอะ่ะเดือนละครั้งก็มีเป็นตนน้นนะนะโอ้ในคำว่าสุดๆเลยนะก็เรียกว่าเจ็ดวันหลับทีตื่นที้องอะนะตื่นหน่อยหนึ่งอ่ะนะหรือว่าครึ่งเดือนเนี่ยตื่นมึนแวบหนึ่งเป็นต้นเนี่ยอย่างงี้ก็หน้าองสารเหมือนกันแต่บอกว่าบางคนก็บอกว่าเนี่ยระลึกถึงเช้าเย็นตื่นเช้ามาบอกตายเป็นธรรมดาเย็นมากา็ต้องตายอีกนะเนี่ยบางคนก็เลือกได้วันละสีห้ารอบเจ็ดรอบบางคนก็บอกมาคิดถึง ความตายทุกคำเข้าวงั้นนะพระองค์บอกว่าพระองค์ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเพราะอะไรเพราะพระองค์เจริญอนิจจานุปัสสนาเจริญความเป็นอนิจจังเนี่ยนะเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดความตายเนี่ยมีมากอะไรมั่งเป็นเหตุให้สัตว์ตายไม่ได้เอา้าในโลกนี้มีอะไรมั่งเป็นเหตุให้เฮ้ยสิ่งนั้นเน่ยเป็นเหตุให้ได้อมัมตะคืออยู่ที่ไหนแล้วไม่ตายอะคิดง่ายๆ่ายนะนะอยู่ที่ไหนเห็นอะไรฟังอะไรเป็นต้นแล้วไม่ตายไม่มีพทุกทวะทุกเรื่องอ่ะ สังขารธรรมทั้งหลายมีความตายมีความแตกทาลายเป็นที่สุดรพระองค์จึงระลึกถึงความตายอยู่เสมอไม่เผลอเรและพระองค์ระลึกถึงความตายของบุคคลทั้งหลายทั้งที่เคยมีในอดีต ท, ทั้งมวลเนี่ยนะว่าอดีตเนี่ยอดีตเนี่ยคนเนี่ยประวัติศาสตร์มีแต่คนตายเท่านั้นเลยพระไตรปิฎกที่เราเรียนเรื่องเอาเรื่องคนตายมาเรียนเท่านั้นเอง น, นะนะ วิชาประวัติศาสตร์เรียนเรื่องคนตายบ้านคนตายเมืองคนตายแผ่นดินคนที่เคยเคยเคยตายอ่ะนะเออไม่ใช่เคยเกิดอ่ะก็คือคนตายนะเรียนเรื่องแผ่นดินของคนตายมันประวัติศาสตร์เรียนเรื่องคนตายทั้งนั้นเลยบ้านคนตายวังคนตายเมืองคนตายที่เผาป่าช้าที่ฟังป่าช้าที่คนเคยนอนตายเป็นั้นมันก็มีอยู่เท่าเนี้นะทีนี้พวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้าลองคิดดูว่าเออถ้ารัตร้อยปีเราเลือลึกถึงยุคพวกเราอ่ะร้อยปีข้างหน้าล่ะ พวกเราอะ่ะก็คือคนตายที่เคยเดินได้เป็นต้นนั่นเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละพันอยู่ด้วยมรณานุสติพันสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยก็คือเคยตายแล้วด้วยสัตว์ทั้งหลายที่จากตายต่อต่อไปด้วยเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นพวกที่กำลังตายอยู่ในขณะนี้ด้วยในขณะเนี้ยทุกเราก็พลตายหนึ่งครั้งตายไปหลายคนละ หายใจเข้าออกหนึ่งครั้งก็ตายไปหลายคนประชากรอย่างมนุษย์เนี่ยนะหกพันเออสองร้อล้านเนี่ยนะหกพันสองร้อล้านเนี่ยหมายว่าเราขยับตัวไปทงางไหนคนก็ตายตลอดเวลาแต่นี่นี่นี่มนุษย์นะแล้วเดราชานทั้งหลายด้วยอ่หายใจหนึ่งฮ็ดเนี่ยตายไปรู้กี่เผ่าเนี่ยนะตายไม่รู้กี่ฝูงไม่รู้ตายไปกี่กี่ฝูงต่อกี่ฝูง ปลาไม่รู้ตายไปกี่ล้านตัวชั่วเราหายใจเขาออกเนี่ยนะสัตว์ตายหาประมาณไม่ได้ถ้าเอาระดับจั ก, กรวาลมาวัดละ่ะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเวียนไหวตายเกิดจุติปฏิสนธิเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่แปลว่ามีปริมาณหาประมาณไม่ได้สัตว์ทั้งหลายที่ไหลไปสู่ความกระตายแล้วก็เกิดเนี่ยนะทิ้งร่างนี้แล้วก็ถือเอากายใหม่เนี่ยนะถือทิ้งศรีระนี้ก็ถือเอาศรีระใหม่เป็นต้นมันพระองค์เนี่ยไม่เผลอในการเจริญ มรณ า, านุสติเนี่ยนะมั่นคงในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของความตายและพรองเป็นผู้ที่มีกายคตตาสติพิจารณาร่างกายเนี่ยนะเบื้องบนแต่ปลายเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเต็มเต็มไปด้วย ของไม่สะอาดมีประการต่างๆที่มีอยู่ในกายนี้เนี่ยนะเช่นผมเนี่ยนะก็เป็นสิ่งปฏิกูลเล็บขนก็เป็นสิ่งปฏิกูลเล็บแป็กเป็นสิ่งปฏิกูลฟันก็เป็นสิ่งปฏิกูลหนังก็เป็นสิ่งปฏิกูลเนื้อก็เป็นสิ่งปฏิกูลเอ็นกระดูกเยื <c oughs> <made SAN> <today> ่อในกระดูกเป็นต้นแต่ละอย่างก็เป็นสิ่งที่ปฏิกูลเนี่ยนะก็พิจารณาไปเนี่ยนะพิจารณาปฏิกูลโดยสีโดยกลิ่นโดยสันผานโดยโอกาสโดยบระชดเนี่ยนะโดย แล้วก็โดยไหวเป็นต้นนะสามารถพิจารณาโดยดยะต่างๆแล้วก็พระองค์มีอุปสมานุสติระลึกถึงธรรมที่สงบประงับดับจากสังขารเพราะพระองค์แยกแยะวาระหว่างวัตตะกับวิวั ต, ตะได้อย่างชัดเจนเห็นความเป็นไปของวัตตะเรียกว่าปวัตตะเนี่ยนะเห็นอัปปวัตตะอนิมิตะอนาโยหนะธรรมที่สงบประงับดับวัตตะมันพระองค์เป็นผู้ที่ไม่เผลอ เนื่องจากพระองค์มีความระลึกเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยความระลึกถึงระลึกเฉพาะระลึกกิริยาที่ระลึกพรองค์เป็นผู้ที่มีความทรงจําไม่เลื่อนลอยไม่หลงลืมพระองค์มีสติมีสตินซีพระองค์มีสติพละเนี่ยนะเนื่องจากพระองค์มีสติพละเนี่ยพระองค์จึงกําจัดความประมาททั้งปวงได้พันพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสัมมาสติสติสัมโพชฌมีเอกายนามพันพระองค์เป็นผู้มีสติอย่างนี้แล พระองค์จึงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์จึงสมบูรณ์ด้วยพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะมีอรหันตคุณเป็นต้นเนี่ยนะความเป็นผ้าหันผ้าหันอันหนึ่งก็คือผู้มีสติสติเวปุระเนี่ยนะเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ภพบูรณ์และบริบูรณ์เนี่ยนะโดยเฉพาะสติของพระตะถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเนื่องจากพระองค์เป็นผู้มีสติอย่างนี้แลนะ พระองค์จึงสา ม, มารถสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายคือพระองค์พูดถึงอันนี้สำหรับสติของพระองค์ทีนี้สติของพระองค์ที่มีต่อสัตว์อื่นเนี่ยนะพระองค์นี่เห็นหน้าพระองค์ก็ระลึกได้เลยว่าคนนี้ทำบุญอะไรมาบ้า ง, างนะ คือเขาเคยสั่งสมทานมาไหมเคยสั่งสมศีลมาไหมเคยสั่งสมภาวนามาไหมสั่งสมพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมาไหมสั่งสมบุญกิริยาวัตถุสิบมาไหมสั่งสมอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลมาไหมพระองค์เห็นปั๊บพงค์ก็ระลึกได้แล้วเนี่ยเห็นหน้าปั๊บก็ระลึกหรือไม่ต้องเห็นนี่ก็นึกถึงพระองค์ก็ระลึกได้แล้วว่าเขาสั่งสมบุญมาขนาดไหนพระองค์ไม่เป็นคนที่เลิกไม่เผลอ ไม่เผลิในประโยชน์ของพระองค์แม้แต่นิดเดียวไม่เผลิในประโยชน์ของสัตว์พสัตวทั้งหลายแม้แต่นิดเดียวนั้นพระองค์จึงสามารถสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่สัตว์พสัตทั้งหลายเนี่ยนะและพระองค์เนี่ยทำประโยชน์แม้กระทั่งยืนพระองค์ก็ทําประโยชน์ให้แก่สัตว์พสัตทั้งหลายเพราะพระองค์ระลึกถึงประโยชน์ของสัตว์อื่นเสมนนนะอเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่สัตว์อื่นแก่คนอื่นเป็น ปกติอยู่แล้วเนี่ยนะทนิดสัตว์เราอื่นจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดพระองค์มีสตินี่แหละพระองค์จึงเจริญกรุณา อรองมีสตินั่นแหละจึงเจริญคุณธรรมทั้งปวงได้เพราะสตินี้เป็นอาหารที่สำคัญของคุณธรรมทั้งปวงถ้าไม่มีสติเจริญคุณธรรมอย่างอื่นไม่ได้หรอกถ้าไม่มีสติให้ทานได้ไหมไม่มีสติรักษาศีลได้ไหมถ้าไม่มีสติเนี่ยนะเจริญสมถะวิปัสนาได้ไหมถ้าไม่มีสติเนี่ยนะจะสร้างบารมีสิบเป็นต้นได้ไหมถ้าไม่มีสติเป็นต้นพวจะเอาอะไรมาแสดงรม ถ้าราลึกอะไรก็ไม่ได้เนี่ยนะสับสนยุ่งเหยิงปนเปไปหมดแล้วพงเอาอะไรมาแสดงธรรมเนื่องจากพระองค์เป็นผู้มีสติที่รอบรู้ในประโยชน์ด้วยอํานาจศาสกะสัมปชัญญะนี่แหละพระองค์จึงสามารถบําเพ็ญพุทธกิจทั้งมวลอย่างครบถ้วนอย่างไพ่บูรและบริบูรเนี่ยนะเนื่องจากพระองค์เป็นผู้มีสตินี่แหละพระองค์จึงปฏิบัติเพื่อให้สําเร็จประโยชน์ ของสัพพสัต์ทั้งหลายเพราะพระองค์ระลึกถึงคุณงามความดีของสัรพสัตทั้งหลายได้หมดเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะไม่รู้หรอกตัวเองเนี่ยมีคุณงามความดีอะไรอยู่บ้างแต่พระองค์เนี่ยระลึกถึงคุณงามความดีอย่างพระองค์บอกว่าอย่างพระจุลบันทกทําไมเขาจึงได้ตรัสรู้พระองค์ระลึกได้ว่าเออเนี่ยพระจุลบันทกนะอดีต ท, ท่านเคยสั่งสมมา อันนะั้นสั่งสมมารเช่นเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยนะมาเช็ดหน้าผากตัวเองเนี่ยแล้วก็เห็นความปฏิกูลของร่างกายเนี่ยสังเวกะวตถุพงและลึกได้จุดนั้นพวกพงก็อนนะให้ขยำผ้าพอเห็นผ้าปั๊บจิตของท่านก็ สังเวชแล้วพระองค์ ก, ก็ระลึกได้ว่าทําไมท่านเป็นคนขี้หลงลืมเนี่ยนะเหตุอะไรทําให้เป็นคนหลงลืมคือพระองค์รู้หมดแล้วว่าเออคนเนี่ยทำไมเขาจึงเป็นอย่างนี้พระองค์ระลึกถึงเหตุได้ทั้งหมดเนี่ยนะอย่างพันพระองค์จึงเคยได้ยินว่าพระองค์รำพึงรําพันไหมในนาเลยในนาเลยเป็นต้นพระองค์รู้หมดว่าเหตุอย่างนี้ผลมาจากอย่างไรอะไรมาจากอะไรเนี่ยนะและพระองค์เขาบอกว่าพระเทวทัตเนี่ยเลวอยู่ปัจจุบันเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยเสื่อมตกต่ำปัจจุบันเนี่เพราะอะไรเพราะหนึ่งพระเทวทัศตตั้งจิตไว้ผ สถูกลาบสการะครอบงำสามคบคนชั่วเนี่ยนะพระเทวทัศก็เลยตกต่ําพระองค์ก็เห็นผลตั้บระลึกไปถึงเหตุถ้ามองเหตุพระพงค์เห็นแล้วว่าผลต่อไปนี่ควรจะเป็นอะไรพันธุ์พงษ์จึงกําจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกได้ปฏิบัติอยู่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยนะด้วยอนุภาพของสตินั้นเป็นตัวจัดแจกมันสติจึงเป็นเช่นกับขุนคลังของพระเจ้าจักรพรรดิสติจึงเป็นเช่นกับ ปรินายกเนี่ยนะพันผู้ที่มีสติเชื่อได้เลยว่าสามารถที่จะรวบรวมจเจริญคุณธรรมทั้งปวงอย่างครบถ้วนไพ่บูรและบริบูรณ์เนี่ยนะอันก็พุทธคุณบดว่าพระองค์เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสติเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีสติก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้มันก็ด้วยพุทธคุณที่พระองค์เป็นผู้ที่มีสติอะนะด้วย บุญกุศลเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีสติเจริญสติประธานสัมมาประธานอิทิบาทอินทรีพลาโพชงและองค์มักขอจะบุญเหล่านั้นจงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายกําจัดความเป็นผู้ไม่มีสติให้มีสติตั้งมั่นรวบรวมคุณธรรมทั้งหลายเพื่อการตรัสรู้โดยทั่วถกันเนี่ยนะก็ขอให้ได้ตรัสรู้ทำเป็นที่พ้นทุกโดยทั่วหน้ากันวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เชิญพรน